อธิกรสี่ในหัวข้อเหล่านั้นอธิกรสี่เป็นฉไนคือ 1. วิวาธาธิกร 2. อนุวาธาธิกร 3. อาปัตตาธิกร 4. กิจจาธิกรนี้คืออธิกรสี่อย่าง